ก็ขอนุโมทนานะโยมทุกท่านที่ได้มาถวายสังฆทานพูดถึงทานเนี่ยนะมันเป็นคุณธรรมเบื้องต้นเลยนะของชาวพุทธการทำความดีก็เริ่มต้นโดยการที่รู้จักให้ทานคือการแบ่งปัน ในบุญกิริยาวัตถุสเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยทานตามมุทิีและภาวนาบุญกิริยาวัตถุสิบก็เริ่มต้นด้วยทานนะสังขาวัตถุสนะี่นทำที่สมานน้ำใจกันก็เริ่มต้นด้วยทานตามมุทิติยาวาจาอัจริยาสมานัตตา บารมีสิทธ์ก็เริ่มต้นด้วยทานทศพิธราชธรรมก็เริ่มต้น้วยทานนะสังเกตนะว่าทำไมทานเนี่ยจึงเป็นธรรมะข้อต้นนะของธรรมทั้งปวงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะช่วยขัดเกลานะจิตใจของเราให้ประนีต ทานนี่มีประโยชน์สองอย่างประโยชน์ต่อผู้รับแล้วก็ประโยชน์ต่อผู้ให้ผู้รับเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วไม่ว่าผู้รับนั้นจะเป็นพระหรือเป็นผู้ตกทุกข์ได้ยากทานที่ได้รับก็นาไปเป็นประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอย่างพระนี่ถ้าเมื่อได้รับของ ก็นำไปเป็นประโยชน์ในการบำเพ็ญกิจนะทั้งส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมนฐานที่ทำให้สังคมเนี่ยเกิดความสงบราบรืบร่นมีความขัดแย้งกันน้อยอันนี้พูดถึงประโยชน์ส่วนที่เกิดกับผู้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้ให้ก็เหมือนกัน ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้ให้เนี่ยหรือผู้บำเพ็ญทานเนี่ยคืออะไรหลายคนก็นึกไปถึงว่าจะทำให้เกิดได้โชคได้ลาภ เ, เมื่อทำบุญได้เยอะก็จะมีโชคมีลาภเจเริญด้วยอายุวันนาสุขขพละมีความมั่งมีสีสุขแต่ส่วนใหญ่เนี่ยประโยชน์ที่ผู้คนนึกถึงเนี่ยมักจะเป็นประโยชน์ในทางวัตถุ หรือประโยชน์ทางโลกทำบุญให้ทานแล้วก็ได้งานการสำเร็จเรียนจบทำปริญญาก็รับรื่นนะอันนี้เราประโยชน์ทางโลกบางคนก็หวังว่าให้ทานแล้วเนี่ยชาติน้าก็จะได้เป็นคนรวยหน้าตา飒 ส, สวยอันนี้ก็เป็นประโยชน์ทางโลก แต่ที่จริงแล้วมีประโยชน์ทางธรรมเกิดขึ้นด้วยคือประโยชน์ทางจิตใจกับผู้ให้ประโยชน์ตรงเนี้ก็คือการช่วยลดละขัดเกลาร์จิตใจและพวกเราเวลาให้ทานก็อย่าลืมตรงนี้นะพุทธเจา้าตรัสว่าทานเนี่ยมุง่งลดความตนันหนีให้ทานเนี่ยวัตถุประสงค์คือเพื่อกําจัดหรือลดความตันหนี ความต่เนี่ก็คือความโลภนั่นแหละทำไมถึงจะต้องลดเพราะว่าถ้าเรามีความต่เนเรามีความโลภเรามีความอยากก็จะเกิดความทุกข์ได้ง่ายเพราะว่าถ้าหากว่าเราบูมสนองความอยากของเราไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดความอยากที่ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นได้เท่าไหร่ก็ไม่พอ อย่างถ้าเราเลี้ยงลูกเนะี่ยเราเลี้ยงหลานเนะี่ยถ้าเราให้แต่ให้ให้ให้ของกับลูกให้ของกับหลานลูกหลานนี่เป็นฝ่ายรับอย่างเดียวรับรับรับรับ mm hmm. เขาก็จะกลายเป็นคนที่อยากได้ไม่รู้จบนะได้เท่าไหร่ก็ไม่พอสักทีคนที่ตามมาคือความทุกข์แล้วก็อย่างที่เราพูดกันไปแล้วเมื่อวานนะว่า ความกลัวตาเยเกิดขึ้นเพราะความดึดความอยากนะปล่อยวางไม่ได้การให้ทานเนี่ยเป็นการฝึกปล่อยวางฝ <c oughs> ึกปล่อยวาง <c oughs> ตั้งแต่สิ่งที่มันยากที่สุดง่ายที่สุดนะก็คือวัตถุสิ่งของ <c oughs> ถ้าเราปล่อยถ้าเราปล่อยวางอยู่เรื่อยๆโดยอดสัยการให้ทานเนี่ยเป็นเครื่องฝึก ความเป็นตัวก็จะน้อยลงจิตใจล้วก็จะเบาและขณะเดียวกันนิสัยที่ปล่อยวางเป็นมันก็ทำให้เราสามารถที่จะปดเปลืองสิ่งที่เราควรจิตใจออกไปจากใจได้ต่อไปเวลาเกิดความเศร้าความโกรธความเสียใจความรู้สึกผิดเราก็จะปล่อยได้ง่ายขึ้นเพราะาเราได้ฝึก การปล่อยวางด้วยการให้ทานให้เถ้าเราให้ทานให้ทานเป็นนะจะได้สิ่งที่พระเจ้าจเรียกว่าอริยทรัพย์ไม่ใช่แค่ทรัพย์ธรรมดาคนสุวนใหญ่ทบุญยก็อยากได้ทรัพย์ธรรมดาอยากได้ความร่ำรวยนะแต่ว่าลืมไปว่าอริยทรัพย์เนี่ยสำคัญกว่าร่ำรวยแค่ไหน แต่ถ้าไม่มีอริยทรัพย์ก็เหมือนกัจนเพราะว่ารู้สึกพร่องรู้สึกขาดอยู่เสมอคนที่ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาเขาจนเขาพร่องแต่คนที่รู้จักพอนะรู้จักเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่เนี่ยเรียกว่ารวยนะรวยความสุขนะรวยอริยทรัพย์ พุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขนะให้ความสุขถ้าเราให้เป็นนะอันนี้ต้องต้องมีมีมีวงเล็บที่จริงพุทธเจ้าตัดไว้มากแต่ทางผู้จักตรัสว่าผู้มีปัญญาเมื่อให้ความสุขย่อมได้รับความสุขแต่ถ้าไม่มีปัญญาหรือวางใจไม่เป็นให้ไปแล้วอาจจะทุกข์ก็ได้นะเช่นแทนที่จะให้แล้วเนี่ยให้เลย ก็จะไปก็ยังไปคาดหวังว่าเขาจะสํานึกในบุญคุณของเราอยากให้เขาตอบแทนบุญคุณของเราถ้ามีความคิดแบบนี้ทุกเลยนะเพราะว่าจะคอยเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่เขาจะตอบแทนบุญคุณของเรานะหลายคนจะเป็นทุกข์มากทําไมเราช่วยเขาเยอะแยะทำไมเขาไม่เห็นความดีของเราเลยนะทำไมเขาไม่สํานึกในบุญคุณของเราเลย ที่จริงเาอาจจะสำนึกก็ได้นะแล้วก็อาจจะตอบแทนแต่ว่าเราต้องการมากกว่า น, นั้นเขาให้สิบเราอยากได้ร้อยเราก็เลยทุกเราก็เวยเขาเนี่ยยังไม่สำนึกในบนพื้นของเราเขาสำนึกและเขาตอบแทนแต่มันไม่ไม่พออย่างที่เราต้องการแต่เท่ากับว่าเราช่วยใครไปเนี่ยเราช่วยแล้วโดยที่เราไม่ไม่คาดหวังอะไรเลยนะ ไม่ทวงบุญไม่ทวงบุญคุณแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะต้องตอบแทนเรากับจะได้พบกับความสุขสบายไม่ใช่ราะใ ห, ให้ทานกับผิสหายหรือว่าคารวานะเวลาถวายของให้กับพระนี่ก็เหมือนกันนะถ้าถวายไม่เป็นให้ไม่เป็นเนี่ยก็ทุกข์นะถวายอาหารให้กับหลวงพ่อ ถวายจีวรให้กับหลวงตาแต่ว่าถ้าให้โดยที่วางใจไม่เป็นเนี่ยถวายเสร็จก็จะคอยดูว่าหลวงพ่อท่านฉันอาหารของเราไหมถ้าชั้นท่านไม่ฉันอาหารของเราไม่หลวงตาไม่ครองจีวรของเราเราก็จะเสียใจอันนี้เป็นการวางใจที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเป็นการให้ที่ยังมีเยื่อใหญ่อยู่ไม่ได้ปล่อยวางอย่างแท้จริง คือให้และยนึงยังก็ต้องให้อาหารถวายอาหารให้ท่านแล้วนีก็ต้องเป็นของท่านไม่ใช่ของเราถวายจีวรให้ท่านจีวรนั่นก็เป็นของท่านไม่ใช่ของเราแต่แท้คิดว่าหลวงพ่อไม่ชั้นอาหารของเราเลยหลวงตาไม่คลองผ้าของเราเลยแสดงว่ามันยังมีความยึดมั่นว่าเป็นของเราอยู่อันนี้เราให้แบบไม่เสด็จนานะไม่ใช่เป็นการให้อย่างแท้จริงคือยังปล่อยวางไม่ได้ ถ้าให้เนี่ยต้องปล่อยวางจริงนะปล่อยวางตั้งแต่ว่านั่นไม่ใช่ของเราแล้วนะปล่อยวางความคาดหวังว่าท่านจะฉันหรือไม่ฉันเป็นเรื่องของท่านไม่ใชใ่เรื่องของเราเห็นไหมแม้กระทําความคาดหวังเล็กน้อยว่าท่านจะฉันของเราหรือไม่เนี่ยก็ทําให้ผู้ให้ทานเป็นทุกข์ได้การให้ทานเนี่ยจะทําให้เกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริงก็ต่เมื่อให้แบบวางให้แบบ ให้แบบปล่อยไปเลยไม่คาดหวังว่าอะไรจะเกิดว่าเราจะได้อะไรไม่คาดหวังว่าเขาจะทำอย่างง่นอย่างนี้เป็นไปตามความอยากของเราหรือไม่นะการให้ทานอนนี้แหละที่ทำให้ช่วยลดละขขดเกา่าที่เหลืในใจเราช่วยลดละความยึดมั่นถือมั่นซึ่งจะทมให้เกิดสุข การให้ทานแบบนี้เนี่ยที่พระศาสดาบอกเรียกว่าเป็นวิสัยของบัณฑิตพระศาสดาบอกกล่าวว่าบัณฑิตเมื่อให้ทานย่อมไม่ให้ทานเพราะมุ่งอุปธิสุขอุปธิสุคือโลกภีสุขนะโชคลาภความมั่งมีชื่อเสียงกิติยศนะบัณฑิตเมื่อให้ทานเมื่อ ก็ไม่ได้ให้ทานเพราะหวังอุปทิสุขหรือหวังพบใหม่พบใหม่ก็คือด้ไปเกิดเป็นเทวดาจะ ไ, ไปเกิดเป็นเศรษฐีแต่ปฏิให้ทานเพราะมุ่งกำจัดกิเลสและไม่เกิดพบไม่เกิดพบก็คือนิพพานนั่นเองะนะอันนี้เราก็ต้องสำรวจตัวสอบตัวเราะว่าที่ ที่ผ่านมาเราให้ทานแบบไหนแล้วว่าต่อไปนี้เราจะให้ทานแบบไหนนะการให้ทานเนี่ยจะว่าไปแม้จะเป็นธรรมะขั้นต้นนะแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยการวางใจที่ถูกต้องและถ้าเราให้ทานเป็นเนี่ยนะจิตใจเราก็จะสบายชีวิตเราก็จะงอกงามที่จิง ธรรมาการให้ทานเนี่ยมันมันยังช่วยทําให้ช่วยเรามีความสมดุลมากขึ้นด้วยคนร้อนนี่ถ้าเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวไม่รู้จักให้เนี่ยมันทําให้เสียสมดุล น, นะธรรมาชาติเนี่ยงดงามได้เพราะว่าเขามีการรับและการให้ต้นไม้เนี่ยต้นไม้ดูดเอาน้ําจากดินไปแต่ไม่ได้ดูดกับปลานะคายน้ําให้กับฟ้า ต้น น, น, น้ไม่ใช่รับน้ำจากฟ้าอย่างเดียวนะยังรู้จักขายน้ำให้กับฟ้าด้วยคืนกลับไปต้นไม้ไม่เพียงแต่รับเอาปุ๋ยจากดินเท่านั้นแต่ว่ายังทิ้งใบทิ้งดอกเพื่อคืนกลับไปเป็นปุ๋ยบารุงดินเพราะเห็นนี้แหละนะธรรมชาติึงงดงามถ้าต้นไม้นี้เอาอย่างเดียวไม่ให้เลยนี่ธรรมชาติก็เสื่อมโทร น้ำตกเนี่ยสวยสวยงามเพราะอะไรเพราะน้ำตกเนี่ยไม่ได้รับอย่างเดียวน้ำตกนี่ให้รับเท่าไหร่ให้หมดเลยนะแต่ถ้าถ้าเป็นหนองน้ําอ่ะหนองน้ําเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นหนองน้ําที่ไม่มีระบายเลยนะรับอย่างเดียวไม่ให้เลยนะสุดท้ายน้ําในหนองเป็นอย่างไรน่าหงายใจเราก็เหมือนกันนะจริงๆริง่างกายเราก็ด้วยแหละ ร่างกายอะไรนี่ถ้ารับอย่างเดียวนะรับเอาไขามันรับเอาพลังงานไปแต่ไม่ไม่ปล่อยนะไม่ไม่เปลี่ยนไปเป็นไม่ใช้มันนะมันก็อ้วนเอาอ้วนเอานะรับแล้วก็ต้องใช้รับแล้วก็ต้องทําทประโยชน์นะไม่งั้นสิ่งที่รับไปไมันจะกลับมาทำร้ายตัวเราเองทซั์ก็เหมือนกันนะเราแต่รับเอาแต่รับเอาแต่เก็บสะสมไปไม่ใช้นี่ นะก็เป็นโทษและถ้าใช้ต้องใช้ให้เป็นนะถ้าใช้ในการบํารงบ่มเรอตัวเองก็เป็นโทษเหมือนกันใช้ก็คือเผื mm hmm. ่อแผ่แบ่งปันให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นนะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องการให้ทานจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะเป็นคุณธรรมพื้นฐานชาวพุทธตอนนี้การให้ทานเนี่ยที่เราทําในวันนี้เรียกว่าสังฆทานนะพิเศษเข้าไปอีกนะเพราะว่าเป็น เป็นทานที่เมียรที่สงมากสังกทานนี่ก็ต้องเข้าใจนะว่าไม่ใช่เป็นทานที่ถวายกับพระเท่านั้นถวายกับพระเนี่ยถ้าเป็นการจอดจงบุคคลไม่เรียกว่าสังกทานนะเรียกว่าปาติบุคคลิกทานหรือเรียกสั้นๆบุคคลิกทานถวายกับสงก็คือถวายกับพระศีลูปขึ้นไปหรือถวายกับพระทั้งวัดคือผู้น่าถวายเป็นของส่วนกลางสังกทานเนี่ยคือการถวายให้เป็นของส่วนกลางแล้วพระก็ไปแจกจ่ายกัน ไม่ได้เจาะจงผ้าป่าก็ดีผ้ากระถิงก็ดีเนี่ยคือสังฆทานชนิดหนึ่งที่ถวายกระสงแล้วสงก็ไปพิจารณาว่าจะแบ่งให้ใครอย่างโยมมาถวายเนี่ยอัตมา ก, ก็รับในพระที่เป็นตัวแทนสงรับเสร็จก็เอาไปถวายกระสงแล้วก็ไปแบ่งปันกันในหมู่สงในหมู่พระให้น้องเข้าใจว่าสังฆทานเนี่ยมันไม่ใช่ว่าถวายกับพระเลยจะเป็นสังฆทานเสมอไป ถ้าทรอะจองแม้จะเป็นพระอรหันต์เป็นพระเจา้าก็ไม่ใช่สังฆทานเพียแต่ว่าถวายท่านในฐานะที่เป็นตัวแทนสงฆ์ท่านรับไปอย่างเช่นตมาวันนี้รับในนามตัวแทนสงฆ์ไม่ใช่เป็นของส่วนตัวตมารับแล้วก็ต้องไปถวายให้กับสงฆ์เพื่อใช้ประโยชน์แก่ส่วนรวมจึงแม้น่สงฆ์มาเพราะเป็นการเป็นการส่งเสริมหมู่คณะทําให้เกิดความอา มันคงเข้มแข็งของส่วนรวมทีนี้สังฆทานนี่มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะก็คือว่านอกจากเป็นประโยชน์กับผู้รับและผู้ให้แล้วเนี่ยยังเป็นประโยชน์กับบุคคลที่สามคือผู้ลงรับผู้ลงรับเนี่ยเกาจากไปเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างแต่ว่าสิ่งที่จําเป็นสําหรับผู้ลงรับเนี่ยก็คือบุญกุศลนะ มคนสว่านี่ท่าไม่ใช้แล้วนะรถเบนซ์ไอโฟนไอแพดนะแต่ว่าทุกวันนี้เรายัางคนจีนกะ็ยังส่งไอโฟนไอไอโฟนไอแพดรถเบนซ์กระดาษไปให้เราไปเคล่อนในสวรรค์เขต้องการก็ไม่ต้องการแล้วไม่ต้องห่วงสิ่งที่ต้องการมีอย่างเดียวนะั่นคือบุญกุศลใช่ไมวันเราไม่ต้องส่ง iPhone iPad ไปให้หรอกอุทิศบุญกุศลไปให้ด้วยการถวายสังฆทานนะ ถ้าอยู่ในพหุภูมิที่เหมาะนะก็จะเกิดผลทันทีนะก็คือว่าเกิดสุขในสัมปรญยภพนะในปราโรนะแล้วก็วิธีการที่จะทำให้ทาให้บุญกุศลเนี่ยไปถึงผู้ลงรับได้ก็คือการถวายทานที่ชื่อว่าสังฆทานทานนั่นจะเปลี่ยนเป็นบุญทานให้เปลี่ยนเป็นกุศลนะ เมื่อเป็นสังฆทานนะอันนี้เราก็วิธีนี้ก็เป็นวิธีการช่วยผู้ที่ลงลักเราช่วยแล้วเขาไม่ได้แล้วะเพราะว่าเขาไปอยู่ในภพภูมิอื่นแล้วแต่ว่าก็ยังมีอย่างหนึ่งที่เราทําได้คือการไปที่บุญกุศลให้เขานะอย่างที่เราทําในวันนี้แล้วก็บุญกุศลนั้นก็สามารถจะเผื่อแผ่ไปให้กับสัตว์อื่นต่างๆที่ยังต้องการส่งบุญนะ จะมีสัตว์อีกมากมายนะที่ต้องการสวดบุญจากเราเราก็แผ่ไปให้ที่จริงสัตว์ทั้งหลายนะที่รอสวดบุญจากเรานี่ลวนแล้วแต่เคยเป็นเรียกว่าอะไรเป็นสาโลหิตเป็นญาติมิตรมีเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็น ที่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นผัวเป็นเมียนะในชาติแล้วชาติเล่านับไม่ท้วนพระเจ้ากระตัดว่าเนี่ยคนที่เรารู้จักเนี่ยนะผู้คนทั้งหลายที่เรารู้จักเนี่ยไม่ว่าไกลหรือไกลแล้วแต่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเมียเป็นผัวเป็นพี่น้องนะญาติสาวรุกับเราเท่นั้นแหละ ไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งในสังสารวัตอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเกี่ยวดองกันหมดแหละเพราะ น, นั้นเนี่ยก็ควรมีเมตตาต่อกันทั้งในยามที่มีชีวิตแล้วก็ในยามที่ล่วงลับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นอันิสงส์ของสังฆ ท, ทานทีอ่อยากจ ะ, ะแจ้งให้ทราบแล้วกใกันก็ให้เรารู้จักวางใจให้ถูกต้อง ในเวลาการให้ทานด้วยเพื่อว่าเราจะได้อันนี้ทรงแท้จริงเลยเพราะประโยชน์ทางธรรมหรือประโยชน์ทางใจซึ่งเป็นอริยรัพย์นะะประโยชน์อย่างนี้แหละนะที่มันจะช่วยเราทั้งในยามทุกข์และยามสุขยามสุขเราก็สุขมากกว่าคนทั่วไปเพราะเรามีความสุขใจด้วยยามทุกข์นะเราก็มีอริยสัพน์คอยช่วยปกปักรักษาหรือช่วยบรรเทาความทุกข์ให้เบาบาง และเมื่อถึงเวลาที่เราจะตายอริยสัมนี์ก็ช่วยทำให้เราปล่อยวางได้ทำให้เราตายอย่างสงบแล้วก็ไปสู่สุคติก็ก็นโมทนานะท้ายสุดนี้ก็ขออ้างคุณพระธรรมจัยอํานวยวยผลให้ทุกท่านได้จเจริญด้วยอายุวันนาสุขาภละเพื่อเป็นพระปัจจัยในการทําความดีงามไม่ถึงพร้อม ต้องประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้สมบูรณ์เต็มรอบด้วยศีลสมาธิปัญญาสามารถพาจิตออกจากความทุกข์ก้าวข้ามอุปสัรคิ์ทั้งปวงจนกระทั่งมีปัญญาแจ่มแจ้งสามารถจะเห็นจริงในสัจธรรมพาจะออกจากความทุกข์เข้าถึงความสุขเสริมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกปนเทิน ก่อนที่จะกรวดน้ำก็บังสกุลสักหน่อยกนนะ<า>บังสกุล น, นี่ก็เป็นประโยชน์ทั้งผู้ลงแล้วและคนคนยังอยู่นะเพราะว่าคาถามสกุลเนี่ยมีความหมายดีมาก นี้จาวัสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนะเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปมีแล้วหายไปเป็นธรรมดาความสงบระงับวางสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งนะอันนี้เราก็ถ้าเราเวลาเราฟังพระเนี่ยส่วนบางสุขุลเนี่ยนะถ้าเราแปลความหมายไปพร้อมๆกันมันจะเป็นการเตือนใจได้ดีมาก ถึงแม้พระ จ, จะสวดเป็นภาษาบาลีแต่พอเราลูกความหมายเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้ยาวอะไรแต่ว่าลึกซึ้งมากมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยเรียนรู้หรือย้ำเตือนในการที่ปล่อยวางปล่อยวางทั้งสิ่งที่เป็นสังขารปรุงแต่งในใจแล้วก็สังขารที่เป็นวัตถุสิ่งของนะแม้กทั้งร่างกายนี้ไม่ว่าจะเป็นความคิดปรุงแต่งในใจหรือว่า วัตถุสิ่งของและร่า ง, งกายพวกนี้ก็เรียกว่าสังขารถ้าปล่อยวางได้เป็นสุขอย่างยิ่งจาวัสสงคาราอุปาทเวธัมิโนอุปาชิตวนิโรจนติเตสังุปัสโมสุโขนิจาวตสังคาราอุปาทเวธัมบิโนอุปาชิตวนิโรจนติเตสงุปัสโมสุโคนิจาวัฏสงคาราอุปาทเวทัมบิโนอุปาชิตอันิรจนติเตสังุปัสโมสุโค จากนี้ก็เต็มกรดน้ำนะลึกในใจก็ได้นะไม่ต้องอมีน้ำหลังแค่ลึกในใจลรวลึกถึงผู้ที่ล่วมลับรมทั้งเจ้ากรรมในเวรด้วยยะถาอริวหาภุราปริภูเรนปิสาคารังเอวะเมวะอิโตจินนางเปตานังอุปกัรปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิชาตู สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวชัชรตุสัพเพโรภวินาสตุมาเตภวัควันตระโยสุขิธิขายุโภโหวาอะหิวาธนสีลิสนิจจังุฏาปจายินโนจตารโอธรมมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังอิยัญจะโกธกินนาจินา สังทำหิสุปฏิทิตาทีคารตังหิตายาสานาโสอุปการปติโสญาติธรรมโมจะอายังนิทาสิโตเพตานาปูชาจักตาอุลาลาพัลังจักหิปุนัมนุปจินนางตุเมหิปุณังปัสสุตังนาปการตีพวัตุสัพมังครางรักคันตุสะปเทวตาสะถาพุทธานุภาเวนะสะทาโสทีพวัตุเตพวัตุสัพมังครางรักคันตุสะปเทวตา สัพพะธมานุภาเวนะสัทธาโสติภวตุเตภวตุสัพมังคาราตักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวตุเตเป็นการเสร็จพิธีต่อไอังกะทาน